บุกทูสามสิบทรีเที่ร้านอาหา ร, ร, าอาหารสองเอนเลอรสตราซีดูขอน้ำแอปเปิ้ลค่ะลูปอมสูก่อนขอน้ำมะนาวค่ะ ขอน้ำมะเขือเทศค่ะด o m a s u con p e เ a สดิฉันขอไวน์แดงหนึ่งแก้วค่ะมิชาตุสขูดลาสซอนดารูจาวิโนดิฉันขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วค่ะมิชดิฉันขอแชมเปญหนึ่งขวดค่ะ o คุณชอบปลาไหมคะคุณชอบเนื้อบัวไหมคะคุณชอบเนื้อหมูไหมคะคดิฉันต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ ดิฉันต้องการผักรวมหนึ่งชุดดิฉันอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นานคุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมคะชูวิชาตุสิยนคุนร i โซ คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมคะชูวิชาตุสตีออนคุณนูเดลลอยคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมคะชูวิชาตุสติออนคุณเทอร์พอมอยรสชาติไม่อร่อยที่ย่อเน่บ น, นกุสตาส์พรมิอาหารเย็นชืดลามังโจเอสตัสัลวาห์มา